ฟังธรรมกันต่อว่าอะ ไ, ไรฟังทุกวันการฟังธรรมะเป็นอาหารใจการกินข้าวทาดข้าวเป็นอาหารกายต้องกินทุกวัน ตอนเช้าตอนเที่ยงถ้าเป็นคลาว่าเจ้าจอมก็อตอนเย็นอีกอาหารใจก็กินทุกวันการฟังเอาไปทำให้เป็นทบเที่ยวทบเทียวค่อยค่อยกืนลง อะไรที่ไม่ควรกลืนก็ไม่กลืนเหมือนกับอาหารที่กะว่าเลงกาหารเขี้ยวไปทางปากอะไรที่ไม่ควรกลืนก็ไม่กลืนเรียกว่าทำนาวิจจะการขบเขี้ยว ความหลงไม่ควรกืนเข้าไปความเจ็บความทุกข์ก็ไม่ควรปืนเข้าไปไม่จะเป็นโทษกระทบต่อชีวิตภายในก็พอรู้จักพออาจออกเขียนได้กับเรื่องกายเรื่องใจเหล่านี้ เกิดมานานมีประสบการณ์มานานเกี่ยวกับเรื่องอาหารใจอาหารกายก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์หนักมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่อาหารใจเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์อะไรมีคุณมีโทษ ก็เป็นการมมีโลดความสุขก็เป็นโลดความทุกข์ก็เป็นโลดความรักความชางความพิทกกษ ว, วนท่มห้องความโลภโกรดหลงก็เป็นโลดชาติของใจ ถ้าเราลู่จอกแล้วก็มีรสเดียวเรียงแต่ชื่อว่ารถแต่ว่ารถมีรถเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แตเรียกว่าเผ็ดว่าชเค็มหานเที่ยวไม่ต้องเรียกว่าโศกว่าทุกข์ว่าโกรธโลภหลงรสเท่านั้นก็พอ อย่าไปติดโลดอย่าไปติดกับชอบไม่ชอบยึดมั่นถือมั่นถ้าติดโลดล้วก็หลงลดอันหลงโลดตัวโลดโลดของโลกคนหลงลดของโลกเหมือนพลาติดเบ็ด ติดสุขติดทุกข์ติดโกรธติดโลกติดสงศกติดอะไรต่างๆจนไม่เป็นอิสระเป็นจำเลยของรถเหมือนคนติดจาเสพติดเรื่องสุขถ้าเป็นความสุข ความสุขเป็นโจทย์ถ้าเราเป็นผู้สุขเราก็เป็นจำเลยของโจทย์ถ้าทุกข์เป็นโจทย์ถ้าเราเป็นผู้ทุกข์เราก็เป็นจำเลยของทุกข์ไม่มีการพ้นโทษพ้นภัยถูกจองจำใน เป็นจำเลยของสิ่งเหล่านี้จนไปถึงการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้ามันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกจะว่าเราไปเป็นจำเลยเอาชนะไปแล้วถ้าทุ ก, ทกเห็นบรรทุกไม่เป็นผู้ทุก เราก็ไม่ตกเป็นจำรวยของโจดเมื่อมันพ้นไปก็ไปเรื่อยๆไปเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายจากเนี้ทำเป็นไหมได้ใช้รู้อ่านออกเขียนได้เมื่อโจด ก็ให้คณิจศาสตสองห้าเป็นเท่าไหร่เราท่องได้สองห้าเป็นสิบเอามาทำดูสิมันทำเป็นไหมหรือเป็นแต่เพียงพูดทำยังไงจึงต้องเป็นสิบสองห้านะ่ะเอามาทำเราดูเอามาเป็นเป็นบทเขียน ไม่ใช่บดคอมพูดบดสัมภาษณ์บดสัมภาษณ์อาจจะง่ายแต่การทำอาจจะทำไม่เป็นเหนินสศกนายร้อยหลองตาไปสศกนายร้อยไม่ใช่ไปสศบไปกับตำรวจคนหนึง่งสมัยอยู่บาืองเลยเขาไปสศกนายร้อย เขาบอกให้ตำรวจขึ้นไปกำแพง <c oughs> กำแพงด้านหนึ่งมันเป็นเปลวกองไฟขอขึ้นไปเห็นกองไฟภาคปฏิบัติเ <c oughs> ขาก็สั่งกระโดดต้องไปแล้วบางคนก็ไม่กระโดดบางคนกระโดด ลงไปคนที่กระโดดลงไปหรือว่าสอบผ่านกระโดดไปทางไหนกระโดดลงเขาสั่งภาคปฏิบัติคนที่กระโดดตามมอสกักระโดดลงมาข้างหลังไม่ไปทางกองไฟทางหนึ่งไม่ใช่กองไฟทางหนึ่งคือกองไฟคนที่ไม่ปฏิบัติไม่ถูก ก็ไม่เลยงออยู่บนตอมแพงแต่คนที่ตัดสินใจฉับพันก็โดดออกมาข้นเช่นกระโดดขึ้นไปแล้วมองไปข้เห็นฟางไฟเขาบอกให้กระโดดเขาก็โดดขึ้นข้างหลังคนนี้ก็สอบผ่านการตัดสินใจจากภาคปฏิบัติ ทำเป็นไหมผ่านไหมเาวลามันโกรธทำเป็นไหมเาวลามันทุบทำเป็นไหมเหมือนคติศาสตร <c oughs> ์โจย์เลขห้โจดตากันบ้านสิบข้อยี่สิบข้อมาทำดูเอาไปเป็นภาพเขียน แสดงให้เห็นมันจึงทำไงจึงเป็นส0บสองห้าจึงเป็นส0บบางข้อก็เขาบอกว่ามีสิเออสองไปแยกออกหรือทำไงจึงจะแยกออกคนสองคนแบ่งกันยังไงผลลัพธ์เป็นยงไง อะไรเป็นเลขตัวเล็บทำไงจึงสองอสองไปหารสิบทำเป็นไหมภาพเขียนทำเป็นไปเขียนให้ดูเราทำยังไงแล้วก็ทำเป็นเป็นภาพเขียนไม่ใช่ภาพปฏิบัติทำให้เป็นเหมือนกันเขียนให้ดู ก็ถูกต้องจงมาเป็นตำราสาคนของโลกอันเดียวกันความหลงอันเดียวกันความทุกข์อันเดียวกันความโกรธอันเดียวกันชีเลตตัญหาอันเดียวกันแต่ว่าภาคปฏิบัติทำเป็นไหมทำเป็นสำคัญ ไม่ใช่ว่าใครก็รู้โกรธโภบหลงใครก็รู้ทุกใครก็รู้แต่ทําไม่เป็นถ้ายัางทุกเป็นทุกขที่วําไม่เป็นยังเป็นจําเลยยังมีโ จ, จดจําเลยเขาบังคับอยู่ในคดีตกตอดสิงเป็นการแก่การเจ็บ ก, การตายถ้าไม่แก้ให้พ้นคดี ถ้าไม่พ้นจากเป็นจำเลยไม่เป็นอิสระการปฏิบัติทำหน่ยมันเหมือนกับเขียนนั้นหละอ่านออกเขียนได้ทำได้รู้รู้เห็นพกเห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นการพเห็นไม่ใช่คิดเห็นอะไรที่ม <c oughs> <c oughs> ันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรา พบเห็นมันสัมผัสได้สัมผัสความหลงไม่หลงมันพบเห็นถ้าคิดเห็นมันหลงอยู่สัมผัสความทุกข์ไม่ทุกข์ตอนเนี้ยจึงว่าทำเป็นจะทำแล้วนี่เป็นยังไงก็วิชานี่ก็ามาถาน กมฐานเหมือนกันกรรทาเสียก่อนลงมือเขียดลงเขียเขียนเสียก่อนเป็นจับปากกาเดินเสให้เป็นอายานพัจนาเหมือนกายเป็นตำลาใจเป็นตำลาสติเป็นนักศึกษา จับมาใช้ให้กายสัมผัสกับสติการคู่แข่งเข้าก่อนเกีย่ยวฉันดอกกรรมมัฐานถ้าไปทำกรรมตรงนี้มันจะไม่เกิดวิปัสนาใส่ใจที่จะรู้เรียกว่าสมาถะใส่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรียกว่าสมาถะให้วันอยู่ให้รู้เรื่องนั่น ใจใจที่จะให้บรรลุกายกับสติให้บรรทอกันอยู่ติดกันอยู่มันก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันสงบไปอยู่กับความสงบมันก็จะเป็นสมถะตายตรงนั้นยกจิตขึ้นมารู้จะไปติดอะไรตึกอะไรติดอันนั้น ไม่ออกออกมาไม่เป็นให้เห็นมันเฉยๆเหมืนสุขอย่าไปติดสุขเหมือนสงบอย่าไปติดสงบมีได้นั้นพุ่งซ่านอย่าไปพุ่งซ่า น, ปานเป็นได้มีได้ถึกมันจะมีประสบการณ์จึงหลวงตาจึงพูดว่ามีประสบการณ์เกิดมานาน อ่านออกเขียนได้ถ้าจะบอกอะไรเป็นสมะถะอะไรเป็นวิปัสสนามันพอกกันไม่ได้สัมผัสดูมันแยกตรงไหนจากสมะถะวิปัสสนาแยกตรงไหนถ้ามันสุขถ้ามันสงบม็อยู่ในความสงบมันก็ติดเรียกว่าสมะถะเป็นอุ บ, บายให้เกิดความสงบ วิปัญาเป็นไงยกจิตขึ้นมาลู่ให้เห็นความสงบไม่เป็นผู้สงบให้เห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมใหเป็นอาการเกิดกับรูปกับนามธรรมดาเรีวยว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัญญาภูมิจนเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริง สุขไม่เรียกว่าสุขสงบไม่เรียกว่าสงบเห็นมันสุขเห็นมัสงบเห็นรูปทำนามทำเห็นเป็นอาการไม่ต้องเรียกว่าสงบไม่ต้องเรียกว่าสุขไม่ต้องเรียกว่าทุกข์เป็นอาการธรรมดาของรูปของนามมีวัตถุมีสมมต มีวันหยัดมีปรมาจิตไปดนวยเป็นวิปัชนนาแล้วขึ้นสู่วิปัชนาภูมิแล้วขึ้นสู่วิปัชนาภูมิแล้วจะบอกตัวเองว่าโอ้ตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นวิปัชนนาเหมือนเราลงบันไดให้ใส่ใจลงบันไดให้เขยใจขึ้นบันไดจะลงก็ ลงได้จะขึ้นก็ขึ้นได้แต่ต้องอาศัยขึ้นลงจากวัตถุอันใดอันหนึ่งถ้าไม่ใส่ใจก็เหยียบบันไดผิดถ้าไม่ยังไม่ชํานาญหัดให้มาชํานาญเช่นก่อนเคยชินเช่นก่อนคนเคยใช้บันไดขึ้นบ้างก็ชํานาญของตนที่เคยใช้ ต้องต่อไปอยู่วัดหนึ่งบ้านโคกกลางงวยเตยอำเภอโกสมวิสัยจังหวัดมหาสารคามอ่าอะไรพันเจีนเลยโกสมุฮะขันเจีนเลยสารคาม สร้างหัววันจำไม่ได้แล้วมีคนตาบอดเป็นเจ้าวาดเออเขามีสมถะเออลงมาไดเหมือนคนตาดีจิตจิตจิตอ่าเราลู่เราดูเขาไม่รู้ว่าเขาตาบอดเวลาเขาลงมาอะไรขึ้นเลยไม่ต้องรู้คำคำเดินไปห้องครัวไป ดูนั่นดูนี่เดินไปเดิจับถ้วยจับขันถ้าขันไม่อยู่ตรงนี้ใครเอาขันกูไปไหนเอาคุกกูไปไหนรู้จักของเสียแล้วก็ถามโยมขันอยู่เนี่ยห้องครัวใครไปไหนล่ะคุกอยู่นั่นอะก็ไปไหนะถามเอามาไว้ก็บอกเขา ขเขาก็บอกว่ า, อาเออนี่เอาไปพ้าเอาไปทําไมไม่เอาเคลื่อนมาให้เอาไปทำอะไรเอาไปแล้วต้องเคลืนมาไว้เวลาโยมาเยียม ย, ยมืมถ้วยชามก็บอกเขาอยู่น้านน่ะชามอยู่ตรงนั้นทุกคนอยู่นั้นเดี๋ยวไปนับดูชามมีเท่านั้นใบช้อนมีเท่านั้นนั่นไปนับยูรู้จักหมดคนตาบอด ถ้าเขามีสมถะเขาใส่ใ จ, ใจเขาก็จำนานอย่าเบิ่งเลยใกล้ป่าพุทธญาณที่วัดหลวงตาไปสร้างนะท่านป่าพุทญธญ <disks S 1> าณอันที่สองไ้คนตาบอดลีดพินไปเล่นสาวกลางคืน <S <S ต้องเดงนต้องเที่ยวไปแล้วกลับมาบ้านเองกลับมาบ้านก็ไม่ต้องคำคำกลางคืนเดินมา เข้าประตูวาดขึ้นนอนนะตอนคืนได้ยินเขาดีดเพนเที่ยววาดไปงั้นละคนตาบอดบางทีเปปดิอบข้าวคนตาบอดสารตเข้าวม น, นฝึกนันฝึกหัด ก่อนฝึกใส่ใจมันเป็นสมถะใส่ใจก็ติดเพราะจับตอกสารผิดมันก็รู้สรนจะเอาลายสองยืนตายคุกยืนลายคุกนอนทำได้เพราะมันฝึกต่อไปอินโดนีเซียไีโรงเรียนไปดูโรงเรียนหนึ่งเด็กนั่งห้องเรียนเพี้ยตกทำเป็นหมวกขาย ทั้งมือทำทั้ ง, งตาดูดครูฟังเสียงครูแต่มือไปไตอกก็ว้ไปไปับก็วาวันหนึ่งสองวันเอาไปขายเป็นกิโลอินโดนีเซียตอกเขาไม่ต้องจับมันมีไม้ไผ่เยอะแยะไม่ป้องห่างเขาไปฉีกตฉีดกันเนี่ย มันมีต้นอยู่เขาก็เอามีดปาดเฉียแคทแคท แ, แ, แไม่ได้จับว่าเผียเป็นเส้นเท่านิ้มือ ไ, ไปถักเป็นหมวกเขาเขาฝึกอันเราเนี่ยมีกายมีใจน่าจะฝึกให้เป็นให้ไปชำนาญสักอย่างหนึ่งชำนาญในความหลง เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงชำนานที่สุดชำนานในความโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธชำนานที่สุดง่ายที่สุดชำนานในความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ทุกต้องที่สุดไม่เป็นการบ้านสำหรับชีวิตเราไม่มีอะไรจนชำนานหมดทุกอย่างอันเกิดขึ้นกับปลากับใจ ออกปาให้เราเห็นหมดไม่ปิดปังอภพิพาตจะเป็นทุกข์เรื่องใดลูกมดืดแสดงมาให้เห็นหมดเราเชื่อว่าทุกข์นี่ไม่ทุกข์ชำรังมากโกรธไม่โกรธแม้มันมีจะให้โกรธก็ไม่โกรธมันสนุกตี <c oughs> สาธทะ ย, ยัยทำบัดเชา่าทำบัดเกล็นลูกไวเที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสนุกมากรู้มาใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญามาใช่ตัวตนสังขารมาใช่ตัวตนสนุกที่สุดต้องพูดได้ต้องทําได้สมบูรณ์ที่สุดเวลาเราสาธิอยากทําวัดเช้าทำบัตยันส้อมลงไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราสนุกที่สุดตอนนี้มันถึงจิตถึงใจถึงพิกถึงขิงจริงไม่ใช่ไม่เป็นสาระใสใจลงไปทำไปพร้อมให้มันหลงละดีให้มันทุกข์ละดีให้มันโกรธละดีให้มันง่วงละดีให้มันส้านละดี จะได้ชำนาญเรื่องนี้ทำเป็นแล้วมันก็ทำได้ด้วยปฏิบัติได้ด้วยให้ผลได้ด้วยไม่เกี่ยวข้องกับเพศกับวัยรุ่นนการใดๆทั้งสิน้นนี่มันเป็นอย่างนี้จะให้ไปทำอืน่นไม่สนุกเหมือนเมื่อทำเรื่องกายเรื่องใจของเราเน่ย มันก็จบได้มีค่าที่สุดถ้าเราไม่ผ่านสบไม่ผ่านทำให้เป็นเป็นโจทย์เราตลอดตายจะต้องหัวเราะร้องไห้ตกกระวลเศร้าหมองมีปัญหามีปัญหาก็ปัญหาเลยไปถ้ามันจบเป็นปัญญาเลยไปปัญญาที่เกิดจากาจากใจเนี่ยยอดเยี่ยมสุดยอด เนี่ยแล้วก็มีคำสอนมีศาสดา <c oughs> มีหลักมีฐานเป็นหลักฐานไม่ใช่เรามาสุ่มหางมหาไม่ได้เสียเวลาผู้ที่หามาไว้ให้เรามีแล้วคือศ า, าสตาสมมาสมพระเจ้า เนี่ยอุนีก็ตัดชะโลแล้วอุบัติขึ้นมาแล้วเป็นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดรอบแล้วนาครบรอบอีกสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดก่อนพุทธศุกรสี่สิบห้าปีบวกเข้าไป หลังพุทธศก 2,553 เอา48ไปบวกเขา้า 2,500 เท่าไหร่า <laughs> 90เท่าไหร่บั้นมาถึงรอบนึงแล้วเราก็มีชีวิตอยู่จริงเดี๋ยวเนี้สัมผัสปันนี้วันขึ้น14ครับแมนโบแมนโบ <laughs> อาชีวิตยังไม่ตายเนี่ยแมนะ้กระตือเรลลื่องที่สิเตอร์มื่อวานก็ไปเทศที่วัดโมกเขาก็เปิดปฏิบัติต้อนรับการอุบัติขึ้นของพระเจ้าทั่วโลกในวันตัสลูวิสาขาโอชาเป็นวันสาคลของโลกประเทศทั่วโลก เอาเป็นวันสาคลยอมรับบันนี้ไม่ใช่ล้วศาสนาพุทธทุกศาสนามีสำนังานใหญ่ศาสนาสาคลอยู่ในประเทศไทยไประชุมกันหลายประเทศทั่วโลก เอาที่ไดนเป็นศูนย์กลางประเทศที่เสนอหลายประเทศจากได้ไปไว้ศูนย์กลางของประเทศตนที่ไหนก็ดีมีความพร้อมไม่เงินมีทองเยอะญี่ปุ่นก็อยากได้ที่ไหนก็อยากได้จีนก็อยากได้ก็มีอ้างเหนือชั้นเชิงเหนือกว่าไทยได้พูดถึงเงินทอง แต่ว่าที่เมืองไทยเหนือคืออะไรอ้างอะไรพุทธศาสนาในเพศไทยพระมหากษัตริย์ทุโปร่งเป็นสารทสรุปประถมพกทุโพร่งอริชนะเด็ดขาดศัสนาในประเทศอื่นในกษัตริย์ของแต่ละประเทศไม่เป็นอุปถมภกเป็นรัตทีอื่นแต่กษัตริย์ในเมืองไทยเนี่ย ทุกองเป็นสาธารณภพเรียกว่าบริษัทผู้ถึงพระไตเป็นสาระอันนี้เขายกให้ยอมแพ้นี่คือประเทศไทยเราจะมีอะไรที่ไม่ดีหรอืออะไรที่ยังไม่ดีอยู่เรื่องนี้ไปตำหนิอะไรที่ไหนมามองตนดูมาตำหนิตัวเองหน่อ ย, ยมันติดอะไรกันอยู่ทำไมไม่ใส่ใจศึกษาแล้วอนีกันบ้าง เราจึงต้องรับหนึ่งจากเราเถอะให้สุดฝีมือสักหน่อยก็พออยู่กันได้มีกันญาณมิตรมีผู้พูดผู้บอกมีเพื่อนมีมิตรอาศัยกันได้อยู่อย่างนี้เติรดลอร้อไหลบอกผู้ที่เป็น ว่าดูแลให้บริการก็มีหลายรูปนอกจากตั้งเป็นเจ้าอาธิการไว้โดยตรงทุกอย่างเรียกว่าเจ้าอาธิการอาธิการที่สมัครกว็วดอาธิการเจานาชนะอาธิการขังอาธิการ อาหารอธิการชีวอนมีทั้งแม่ชีทั้งญาติทั้งโยมโดยความสมัครใจเรที่ให้อยู่หาข้าวให้กินหาที่ให้นั่งให้นอนหาที่ให้ขับให้ถ่ายอาจารย์ทรงสินก็ทำห้องน้าอยู่หกเพื่อให้เกิดความสะดวก การต้มจานกก็ทำอยู่ไม่หยุดช่างที่เป็นก็สร้างซ่อมแซมนี้ทั้งหมดทั้งปลูกผักให้กินทั้งรดน้ำไม้ทั้งทำอาหารไม่ทำกว่าสิบคนก็พอที่จะอะไรได้ไม่ไม่ฝืดเกิงเกินไปล้วมีเลดอนเรียกร้องได้ บอกอาจารย์นดก็พอหรือมีใครที่ไหนก็บอกตด้นี่กันระยานมิตรเยื่ปฏิรูปประเทศสวาสูประเทศที่พอสมควรพออยู่กันได้ไม่ต้องหนีไปไหน <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะให้สะดวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไป แล้วยังอยู่กันแบบนี้อย่าให้กันอย่ามาทำลายอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันเสริมสร้างกันมาอะไรที่มันไม่ดีก็ช่วยกันละก็ช่วยกันเช่ไข่ตอความดีตัดความชั่วออกไปกาอนทอดว่าอย่าให้มีเด็ดขาดอย่าเปียนตัวเองอย่าบเปียนคนอื่นเรียกว่ากนระยามิต ประเทศที่สมควรเป็นมงคลจะแบบชีวิตเราแล้วเราก็พ่อแบแล้วกายเราก็มีใจเราก็มีสติก็มีเอามาใช่เหมือนเมล็ดพืชจะเก็บไปวานลงไปในกายกล้องสอกจะวาหาคืบมันจะงอกงามที่นี่นะ ทำให้เป็นปลุกลงปอยทุกเห็นมันทุกไม่ทุกนั่นสำเร็จไปแล้วหวานความไม่ทุกหวานความรู้เข้าไปเปลี่ยนล้ายเป็นดีเข้าไปไม่ดีที่ไหนนั่นเละจะมีดีอยู่ที่นั่นดินจะดี โห่อยอปกก็จะไปที่ไหนถ้าเห็นหญ้าเขียวๆไม่อดไม่อยากเหมือนคนกีนถ้าไปเห็นแผ่นดินมีหญ้าเขียว้าได้ว่าเขาไม่ยอมบดถ้าแผ่นดินไม่มีหญ้าละ่ะจะต้องอดตายแต่เวลานี้เขาจะฆ่าหญ้าให้ม่มี ย่าจากเช่นในโลกมันแผ่นดินถ้าย่ามนันมีเราก็อยู่ันได้ <c oughs> ชีวิตเราก็มั่งเงินเพรา ะ, ราะมันหลงมันจึงไม่หลงมันเห็นทุกข์มันจึงไม่ทุกข์มันจึงเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพราะเห็นทุกข์ว่าแต่สรูปของพระเจ้ า, าอะไรที่ทำให้เกิดพระเจ้า เห็นอะไรเห็นของที่การประเสริฐเห็นทุกนั่นแล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกโดยทําเหตุที่มันเกิดทุกแล้วพ้นจากทุกแล้วมันก็มีไม่มากมอยู่เหตุกับผลเท่าดันล้วก็เห็นมัน ทุกอะไรเป็นเหตุในทุกแล้วก็เห็นเพราะมันหลงทำไมจึงหลงเพราะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะไม่มีเวลาทำไมไม่มีเวลาก็ไม่ได้ประกอบไม่มีเงินทำไมไม่ขายช้างไม่มีช้างทำไมไม่ซื้อมาก็หาจัจนที่ สติเหมือนช้างกระเล็ดเหมือนหมาหมามืนหัวช้างไปวันไธรรมะไรดองดูซื้อช้างมาขี่ช้างคือดทีขอเกิข้อขอี้ร้างแล้วขามสองสาร ญ, ญาณข่วงเสด็จฝังโซนิพานไปเลย คงวัสังโค่เจ้าตามร้อยองพระบาทนะพวกเราไปขามรงสารสงสารใครวัตตทรงสารวัตตามีอะไรวัตตาคือ ก, กรรมกิเลสพิบาทมีสามเท่านี้ขามนงสารญาณกว่วงใจสว่างสุเนิพาน วัตตะไม่สามเท่านี้หมูข้าผางไก่ไก่ข้าผางหมูหมูข้าผางงูไปดูปฏิจจสมุปาที่โชว์ไว้น่นมีไรเห็นไหมหรือว่าไม่ไปดูสักทีมีตาไปดูอะไรแต่ไม่ไปดูอันที่มันมีประโยชอะ โอได้เห็นทำพคนเห็นปฏิจจสมุปบาทมันขึ้นไรดูปฏิจจสมุปบาทถึงไว้ที่ลานทำเห็นค้งเห็นไก่เห็นหมูเห็นงูไหมไก่ข้าผางงูงูข้าผางงูงูข้าผางกนเป็นบนะกรรมกิเลสวิบากกรรม มันอยู่ตรงไหนสัตว์สามอย่างนี้ทามันมาฆ่าผางกันอยู่นะอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากมันไม่ใช่อยู่ในรูปปฏิจจสมบันอยู่ในหัวใจเรานี้กรรมไปทำอะไรไปคิดอะไรกรรมติดอะไรมาหยุดซะไม่ทำซะไม่คิดซะ อันหลงไม่หลงซาลู่ซะตัดแล้วตัดหลงเตียนหลงแล้วลู่แล้วตัดกรรมบอกไม่มีกรรมไม่หลงมันก็ไม่มีกิเลสนั้นไม่ติดพอไม่ติดก็ไม่มีวิบากเพราะไม่อยากเรื่องนั้นเองเห็นบัวไหมในสักมันอยู่ในน้ําไม่ติดดำ บูไม่มีกรรมไม่มีกิเลสไม่มีวิบากมันก็ไม่ติดรถของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนกิเลสกรรมวิบากอยู่ในเนื้อเหมนคนสูบบุหรี่ท้งมายังสูบเพราสูบเป็นจึงติดเพราติดเปนจึงอยากเพราอยากอป็นจึงสูบเพราสูบมันจึงติดเพราติดมันจึงอยาก พ้าไม่สูบมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยาดมันก็ตัดอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมอ น, นึงไปทางนี้อ น, นึงไปทางนี้เรี่าปรททักสินเหมือนเราเดินรอบปรททัศสินต้องเวียนไปทางขวาเวียนไปทางขวาต่เวียนไปทางซ้ายเวียนเข้ามหากิเลส หลงเป็นหลงความหลงเพื่อเกิดความหลงความทุกข์เพื่อเกิดความทุกข์เข้าไปอันเดียวหลงตลอดชีวิตโกรธตลอดชีวิตตายตลอดชีวิตถ้ามันหลงก็รสชาติเอ้ยเราสุขก็เราสุขสุกเราทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ก็หลงรู้ไปทางไหนหลงลือถอนเนาะเรีย ว, ว่าประทักสินรอบเ่ะ ออกจากกิเลสกรามบบาทวนสักหน่อยทวนกระเสสักหน่อยเหมือ น, นพระเจ้าก่อนตัดจรูดทวนกระเสเสียงถาดฉันเข้านักสุชดาวันพรุ่งนี้เจ้ามัทุปญาตเสียงถาดปรากวฏถาดไหลขึ้นทางเหนือน้าในรันเลา ขาดทองรองรับพุทธพรถพัทธมเทเจนามายถึงใจเอาเอื่นรองรับไม่ได้ทรเหมือนกัน้ำมันมันซึมออกต้องเป็นทองจงตั้งโจตประจาดคอยรองรับพุทธพรถพัทธมเทศจานัอัตมาภาพจะได้แสดงต่อไป เคยเป็นนักเทศใช่ไหมก่อนวันนี้ย่าโจมนีม่มวนมาแสดงธรรมในงานตามบนอุทิจันทกศสนให้ผู้ไหวชนตั้งอัตมาภาพจะได้แสดงเ่อาไปสาหรับศรัทธาญาโจมต้องต้องโสตประสาทคอยรองรับพุทธพจน์เหมือนพาชนทองรองรับพุทธพจน์โลประรรมะเทศนา อาตมาภาพจัดแสดงต่อไปตามทุกวนเจเวลาพาชะทองไปถึงใจอง ล, งงลองเราไมวันถึงหลงรับไปเสียงมันทวนไปทวนกระแสมันง่ายง่ายที่จะลงแบดนี้ง่ายที่จะรู้ทวนไปชักหน่อย ง่ายที่จะทุกข์ันนี้ง่ายที่จะไม่ทุกข์ทวนไว้สักหน่อยถ้าไม่ทวนมันก็ไหลไปต่ำเรื่อยๆไปจากหลงไปไกลเป็นกิเลสเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นจรลกต่ำลงไปเป็นภูมิไม่เจริญเรียกว่าอาบายถ้าทวนกระแสก็เป็นสูงขึ้นไปมนุษย์เทวโลกป ม, มวรมโลก ไปสูงมั่งคนนี้พ่านสูงขึ้นไปคนไปทางต่ำเป็นสุขสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ที่ว่าคนมนุษย์สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธที่บอกมนุษย์สูงขึ้นไปเนนี้เนื่อนทวนสักหน่อยจะให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นรู้เนนทุกคนทำได้ไม่มีใครช่วย ท่านได้ท่านต้องช่วยตัวเองตัวใครตัวมันเรื่องอย่างนี้เรียกว่าปรมาจิตเป็นอริยทรัพย์ของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้รักกันหวันใจจะขาดก็ช่วยกันไม่ได้ได้เย็นบ่เนี่ยนั่ต่อโบนะ <laughs> เอาละสมควรเจวลาเนาะรับพระ